ชาๆอย่างนี้ขอให้พระผูะ้ควะคุณเจ้ารวมทั้งอุบาสกอุบาตติกาที่มาประพฤติปฏิวัติเชาๆอย่างนี้จงตั้งจิตตั้งใจพยายาม ตั้งสติมีความรู้ตัวเข้าไว้เจ้าๆอย่างนี้เราตื่นมาอารมณ์ของเรานั้นยังไม่ขุนมัวอารมณ์ของเรานั้นยังไม่ปัฒนาความโลภความโกรธความหลง ยิ้มเขไว้พยายามมองใจของตัวเองนั้นทิ้งวาวุ่นแล้วก็วุ่นวายใจมาทั้งวันก็คือความคิดนั่นเองสติที่เตลิดไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันทำให้เรานั้นไปฝักใปตามความคิดตามความปรุงแต่ง ก็เรียกว่าตามสภาพของกรรมไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมแมลงน้อยใหญ่ร้วนแต่เข้าสู่สภาวะของกรรมกรรมก็คือการเกิดนั่นเองการเกิดนี่มีหลายอย่าง เกิดจากธรรมชาติก็คือแสงแดดก็มีต้นเหตุแห่งแสงแดดก็คือดวงพระอาทิตย์ก็คือดวงตะวันนั่นเองลมก็เกิดจากธรรมชาติดินก็เกิดจากธรรมชาติน้ำก็เกิดจากธรรมชาติ ไก็เกิดจากธรรมชาติเช่นเดียวกันทรรมก็คือธรรมชาติแต่ธรรมชาติแต่ละอย่างนั้นมักถูกปิดบังหรือว่าถูกกีดกัน้นจากสภาวะของธรรมชาติเช่นเดียวกันนักปฏิบัติทั้งหลาย เราเกิดมาทั้งดินน้ำลมไฟเอามารวบรวมอยู่ในตัวเราถาดดินก็คือกระดูกถาดน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำตาน้ำเหงื่อเรียกว่าถาดน้ำถาดลมเราก็ต้องอาศัยเกิดจากธรรมชาติที่หายใจเข้าออกเข้าออก เราก็ต้องรวมทั้งอากาศาธาตุที่หายใจเข้าไปธาตุไฟก็ทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกมีความอบอุ่นธาตุดินก็คือกระดูกแสดงว่าธรรมชาติเหมือนกับโรคทั้งใบเนี่ย มันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดรมก็มีสิ่งที่ทำให้เกิดรมจากธรรมชาติไฟก็เกิดจากทำให้เกิดความร้อนเป็นไฟก็เกิดจากธรรมชาติเพราะนั้นการเกิดของเรานั้นก็เกิดตามธรรมชาติ ของสัตว์โลกที่มีการเสพกันเรียกว่าสืบพันธุ์นั่นเองมนุษย์ก็เหมือนกับต้นไม้ใบไม้ที่มีการผสมขยายพันธุ์มนุษย์เหมือนมแมลงที่มีการขยายพันธุ์เช่นเดียวกัน มนุษย์ก็เหมือนวัวควายช้างมาเป็ดไก่กุ้งหอยปูปามีชะตากรรมเหมือนกันที่จะต้องเกิดจากพันธุ ก, กรรมคำว่าพันธุ ก, กรรมนั้นเขาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการเกิด เกิดก็ต้องเกิดแบบรูปนามแห่งกรรมสัตว์และแมลงต่างๆนานานั้นแยกแยะสภาวะของรูปนามเช่นเป็ดก็มีลักษณะอย่างนี้ไก่ก็มีลักษณะอย่างนี้ตามที่เราได้เห็นในสัญญาคือความรู้สึกที่เราเคยเห็น ก็จะนึกภาพได้เรียกว่าสัญญาสัญญานั้นก็ผูกมัดเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนขาวบ้างดำบ้างบางคนก็เกิดมา มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์บ้างบางคนก็เกิดมาวันณะหน้าตาผ่องใสก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่พึงกระทำไว้เขาเรียกว่าสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีรูปนาม ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ที่เราได้เห็นภาพต่างๆนาน า, นาตามฝาผนังของวัดต่างๆแต่อปประมาออปหมายความจริงแล้วสัตว์นโลกก็คือในรูปอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์นั่นเอง เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยใช้จิตได้สำนึกตามภูมิภพที่ตัวเองนั้นอยู่สภาพของกรรมบางคนเป็นหมาก็จะต้องเห่าเลียเราสังเกตสังเกตตัวเราเองว่าเราก็พูดเพ้อเจ้อไป หวงข้าวหวงของที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ใช่ของตัวเองเช่นของวัดเนี่ยจนที่อยู่วัดก็หวงเห่ายึดว่าเป็นกุฏิของตัวเองบ้างยึดว่าเป็นที่ของตัวเองบ้างอันนี้เป็นของกูเป็นของเราหลายๆอ ย, ยา่าง แต่การห่วงนั้นเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าการที่เราพูดว่าเป็นของเราเป็นของกูเป็นของคนนั้นคนนี้ห้ามมาจับมาต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยสภาวะกรรมที่เราไม่เห็นรูปนามเห็นกรรมแต่ว่ามีจิตได้ํำนึกก็ไม่ต่างกับหมาวัด หมาวัดมันก็เฝ้าวัดมันก็คิดว่าเป็นบ้านมันเป็นของมันใครมาเรื่มรํำให้เห็นตามเขตที่มันเคยพักอาศัยอยู่มันก็ยึดว่ามันเป็นของมันในเขตของมันมันเป็นจ่าฝูงของมันเราก็ไม่รู้ตัวนึกว่าเป็นมนุษย์พูดไปปกป้องป้องกัน นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตใต้สัญญาแห่งความคิดแต่เราไม่มีปัญญาในการคิดก็เลยนึกไม่ได้มองไม่ออกสัญญาอีกแบบหนึ่งที่เราเป็นมนุษย์เราเกิดมาก็ไม่แตกต่างกว่าความเป็นสัตว์โลกหรือมแมลงโลก บางทีเราตัวเป็นคนหัวเป็นแมวสัตว์ในวัดเราเนี่ยมากมายมีทั้งเป็ดไก่นกหนูปลากุ้งหอยหงห่านช้างมาวัาวไก่แสดงว่าสัตว์นโลกเหล่านี้เนี่ยให้เราเห็นเป็นสัญญาหรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ ให้เห็นลักษณะของสัตว์นรกที่ตกอยู่ในอบายภมิที่เกิดมาพร้อมๆกับเรานี่แหละให้มนุษย์ได้มีจิตได้สำนึกแต่ปุตตุชนคนปกติไม่สามารถที่จะมองลึกและมองเห็นได้ถ้าเราไม่มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็คงไม่รู้ว่าอวัยภูมิเนี่ยภูมิของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีลักษณะ ส, สภาพที่เป็นกรรมต่างๆนาน า, นาก็เปรียบเสมือนเรานั้นอยู่กับโรคทั้งใบนรกทั้งขทุกขุมที่อยู่ในปัจจุบัน รวบรวมสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดถ้าเรายังอยู่ในอบายภูมิก็จะคิดไม่ได้นึกไม่ออกว่าอันนี้ควายก็จะกินอันนี้ป่าก็จะกินจะเข็นจะฆ่าแม้เป็นมนุษย์ด้วยกันก็จะทำร้ายและเข่นฆ่าถ้าเราตกอยู่ในอบายภูมิ แต่ถ้าเป็นอภะอริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจเนี่ยท่านมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านสเสวยกรรมห้ารอชาติคือท่านต้องเกิดเป็นช้างบ้างเป็นลิงบ้างเป็นกวางบ้างแต่ที่อุปมาอุปไมให้เห็นว่า เราได้จะเห็นสัตว์เราก็ไม่คิดว่าจริงๆแล้วจิตได้สำนึกแห่งความเป็นกรรมเนี่ยเรายังมีสัญญาได้เห็นแต่การเห็นของเรานั้นเขาเรียกว่ากรรมมาบังตาพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านรู้สึกเวทนาสงสาร สัตว์ที่เป็นเขาเรียกว่าสัตว์นรกอยู่ในป่าหิมมา่านอยู่ในโลกในนรกที่ขุมไม่สามารถเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันคำว่าไม่ให้เห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันนั้นก็ก็ไมไม่เห็นใจนั่นเองเราไม่เห็นเข้าไปในใจของตัวเอง ใจของตัวเองนั้นไมห่หลุดพ้นจากความเป็นอบายภูมิภูมิของเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จึงไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาการณามุติตาออเบกขาเรียกว่าผมวิหารสีนั่นเองเมื่อจิตใจเรายังอยู่ในช่วงของอบายภูมิก็ ไม่มีเมตตาก็คือไม่มีความรักให้กับสัตว์เหล่านี้อยากคิดเลยว่าเราจะมีความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าถึงบอกว่าเมตตาให้จริงมีความรักมีความเมตตามีความการุณาคือความสงสาร ถ้าเรายังเป็นพระเป็นปกติเรียกว่าพระปุตุชนเป็นพระปกติก็จะใช้ชีวิตไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันถ้าเราไม่มีจิตได้สำนึกกรรมมันก็ปรุงแต่งให้เราเนี่ยคิดนึกเขาเรียกว่ามีจิตได้สำนึกให้คิดหยาบทำายาบ เรียกว่าคิดชั่วทำชั่วนั่นเองแม่จะพูดก็พูดชั่วแม่จะทำอะไรก็ทำความชั่วมันแฝงไปหมดทั้งหมูหมากาไก่ที่เขาด่ากันว่าไอ้ควายขออภัยมึงนี่มันโง่เหมือนควายทำงานเยี่ยงวัวเยี่ยงควายยากลําบากนัก บาบวชแล้วคิดว่าจะมาปฏิบัติวัดนี้คิดว่าขังยังต้องทำงานเยี่ยงหัวเยี่ยงควายแกเองเป็นควายเป็นวัวแต่เองมองไม่เห็นตัวเองเองเป็นคนหลบหลบซ่อนซ่อนเหมือนหนูเหมือนสัตว์เดรัจฉาน เองเป็นสัตว์เรื้อยคานกินแล้วก็นอนแอบแอบหลบหลบซอนๆอนเพราะกลัวเขาปองหมายชีวิตเพราะคุณเจ้ารวมทั้งแม่ชีอุบาสก อ, อุบาสิกาก็รองคิดจิดตได้สำนึกนึกถึงตัวเราซสว่าเออเนาะจริงๆแล้วสัตว์นรลกนี่มันอยู่ในตัวเรา การกระทําทุกอย่างใ น, ในการคิดในการกินในการนอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่แตกต่างกับสัตว์อื่นๆถ้าเราแยกแยะมองไม่เห็นด้วยสติปัญญาเหมือนพระพิ ส, สุสงฆ์สา ม, มเณรก็เช่นเดียวกัน ที่เราอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเราไม่มีเมตตาคือความรักเราไม่รักกันหมู่คณะก็ต้องมีคนเกลียดกันอิจฉากันนินทากันฉันใดกับฉันนั้นก็เหมือนหมาที่มันยึดเขตใครเขตมันฝุงใครฝูงมันแตกต่างไหมถ้าเราไม่มีสติปัญญาในการคิด เปรียบเทียบกับสัตว์นรกที่เราเห็นภาพว่าหมาก็มีรูปนามแห่งความเป็นหมาที่มีสภาพของกรรมที่เกิดยังเป็นสัตว์ไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราสัตว์ที่เป็นหมาที่อยู่ในวัดเราเนี่ยก็มีบุญอยู่อีกขณะหนึ่งที่ได้เกิดเป็นหมายังอุตส่าห์พาสังขารเนี่ยมาอยู่วัด มาพึ่งใบบุญพระพิสุสงฆ์สัมมาเนตรแล้วก็แม่ชีแม่าพามก็เหมือนคุณโยมที่อยู่กันไกลบ้างใกล้บ้างคืบคานมาถึงวัดเขาอิติสุกโตก็หวังจะพึ่งบุญพระคุณเจ้าพึ่งบุญแม่ชีแล้วก็จะมาหากัลยาณิมิตที่ดี เป็นทายาทสัมมาปฏิบัติที่วัดเขาอิธิสุกโตบางคนก็ตั้งใจดีมาตั้งแต่บ้านพอมาแล้วเนี่ยเหมือนหมาแตกฝูงมามาเจอหมาที่อยู่ในวัดเนี่ยหวงข้าวหวงของมาเจอหมาพระพระยังกัดกันทะเลาะกัน มาเจอหมาฉี่เขาฉี่ก็ยังกัดกันทะเลาะกันอิจฉากันยังเป็นพระปุตุชนเป็นพระปกติไม่แตกต่างกับคนปกติแต่มีรูปเป็นพระเป็นฉี่เป็นเนนก็เหมือนถคุณโยมที่ห่มขาวนุ่งขาวปากว่ารักษาศีลจะทำวัดสวดมนต์ ก็มาเป็นคนปกติชานแปลว่าชินจิตใจมันชินต่ออบบยภูมิชินต่อสภาพของกรรมของตัวเองแต่ไม่รู้ตัวการที่เราไม่รู้ตัวรู้ตนอย่างแท้จริงเนี่ยจิตมันก็นึกปรุงแต่งไปตามสภาพของกรรมคนที่ชอบด่าว่าคนอื่น จะเดินเหินไปไหนก็บ่นด่าไปเรื่อยคนที่ชอบชื่นชมเยินยอคนอื่นไปตรงไหนก็เยินยอคนอื่นอยู่ไปเรื่อยเขาเรียกว่าสัญญาผูกพันผูกมัดดังจิตใต้สำนึกบางคนชอบหยิบโน่นชวยนี่ขโมยนั่นขโมยนี่ ไปอยู่ตรงไหนใจมันก็ปุงแต่งที่จะอยากได้นั่นได้นี้ของคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยบางทีก็พังเผลอขาดสติเอ๊เราคิดเอาไปได้ยังไงบางคนก็เอากลับไปคืนบางคนเห็นเล็กๆ น, น้อยๆก็อยากจะได้ของคนอื่นเ็าเรียกว่าจิตมีการรักขโมยสัตว์อะไรนะที่มันรักขโมยเราก็ค่อยนึกไป มนุษย์อยู่กันด้วยการปรุงแต่งปรุงอารมณ์นะปรุงอารมณ์อารมณ์ที่ปรุงเนี่ยมันมาจากความรู้สึกของกรรมกรรมเป็นเครื่องชี้นาเห็นไหมกรรมเป็นเครื่องชักจูงไปสู่สภาวะกรรมเราได้มีรูปนามเป็นมนุษย์สามารถมีสติปัญญา ประกอบกรรมที่หลุดพ้นจากสภาพของสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์อยู่เ้าเรียกว่าสัตว์มนุษย์มนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐก็อุปมาอุปไมยว่าเรานั้นเป็นสัตว์ประเสริฐดีเลิศประเสริฐสีกว่าสัตว์อื่นนะที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเพราะมนุษย์เนี่ยสามารถ ทำอาหารไดนะ้มนุษย์สามารถปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้แตกต่างกับสัตว์อื่นๆแล้วก็ดีกว่าสัตว์อื่นๆมนุษย์รักษาโรคได้คือป้องกันตัวเองได้มีอายุยืนยาว ถึงได้มีเผ่าพันธุ์มากมายกว่าสัตว์อื่นๆมนุษย์หาอาหารเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ถ้าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเลี้ยงดูจากธรรมชาติก็หาไม่ได้มนุษย์ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามีการพัฒนามากกว่าสัตว์อื่นๆ แม้ที่อยู่อาศัยก็สร้างใหญ่โตโออามโ ห, หลานมดมันก็สร้างหลังของมันเหมือนกันปวกมันก็สร้างหลังของมันหมูหมากาไ ก, ก่กระต่ายมันก็สร้างหลังขุดโพรงของมันเหมือนกันแต่มนุษย์เียก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย เห็นด้วยตาเนื้อเลยเนี่ยแต่เราเห็นแล้วเราก็รู้ไม่จริงคิดว่ากระต่ายนี่มันน่าจะเอาไปเลี้ยงหมาป่าเนี่ยเราก็เอามาเลี้ยงไปเป็นหมาบ้านเอามาผสมประสานเป็นพันนั้นพันนี้แต่มันก็เป็นหมาชนิดเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกัน แตาเรามองกลับว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเวียดนามอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนค่ายสัตว์ที่แตกต่างกันพอผสมประสานกันแล้วมันก็มีหลายเผ่าพันธุ์ใครจะมองเห็นได้อย่างนี้ หมาก็มีหลายชนิดคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ก็เรียกว่ามนุษย์เหมือนกันหลวงพ่อยังไม่ได้พูดถึงสภาพการเป็นอยู่ทาไมจึงแตกต่างกันสภาพจิตใจเนี่ยทำไมเป็นมนุษย์แต่มีภาษาที่แตกต่างกันเหมือนดังจิตเลย ถ้าเกิดเอาทุกประเทศมันมาอยู่รวมกันเหมือนพระพิสุสงในขณะนี้เนี่ยต่างคนต่างภาษาแต่ก็กินอาหารเหมือนกันนอนเหมือนกันแล้วก็ไถ่หนักไถ่เบาเหมือนกันแต่มีการเรียกว่าวัฒนธรรมประเพณีการนำลงชีพนั่นเองที่แตกต่างกัน จากวัฒนธรรมก็การเป็นอยู่นั่นเองประเทศอื่นๆก็พยายามมาประเทศไทยเพื่อจะมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีมนุษย์ลนะักษณะคกล้ๆพอมากคำเหมน็นลาวอะไรเงี้ยฝรั่งมันมองเราพอาเราเห็นฝรั่งมาโอ้ไอตาน้ำข้าวไอหัวเหลืองหัวขาว ไอ้โง่เนี่ยลบางทีเราก็ว่ามันมันก็ว่าเราโอ้ยไอ้เพิง น, นี้ตัวเล็กๆ เ, เหมือนพวกกะเกลียงเหมือนคนป่ามก็ว่ากันไปว่ากันมาดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าประเทศไหนในทั่วโลกเนี่ยก็จะมีความคิดเที่ที่ไม่ได้สอนเนี่ยมันผูกติดกันมาทําไมมนุษย์เนี่ยมันอยู่ไกลแสนไกลทาไมจึงมาพบกัน ทำไมจึงมาเป็นลูกเป็นผัวเป็นตัวเมีย ต, ตัวผู้ผู้หญิงไทยก็อยากได้ฝรั่งเป็นผัวไอ้ฝรั่งก็อยากได้ผู้หญิงไทยเป็นเมียเพราะดูมันเป็นของแปลกดีไอ้ผู้ชายไทยก็เห็นฝรั่งก็คึกคักในใจอยากได้เมียฝรั่งก็เหมือนเราเห็นกันเหลี่ยงเห็นพ่มาเขมรเนี่ยเราก็รู้สึกลังเกียด ไอ้ฝรั่งมันก็เห็นเรามันกําลังเกลียดเหมือนกันมันมีคนอยากลองของแปลกเหมือนกันเหมือนเราก็อยากจะมีเมียพม่าเป็นบางคนอยากจะมีสามีเป็นกะเหลี่ยงบ้างมันเรื่องไม่ได้สัตว์มนุษย์นะเขาเรียกว่าสัตว์มนุษย์มนุษย์เห็นสัตว์เนี่ยต้องมีจิตได้สํานึกเข้าไปในในใจของตัวเอง เปิดใจให้กว้างมองเห็นว่าโอ้เนอเราเห็นสิ่งไหนสัญญาสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาในใจในหูในตาเราแสดงว่ามันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับจิตใต้สํานึกของเราเพราะคุณเจ้าบางรูปก็ไปเกี่ยวญ้าใ ห, ห้วัวให้ควายได้ชดใช้กรรมมันได้เห็นว่าโอ้อ เราเคยคงมีพิบากกรรมกั บ, บวัวกับไก่แสดงว่าเราเนี่ยยังมีเชื่อของความเป็นวัวไก่อยู่จึงต้องมาเกี่ยวญาให้มันแม้เราไม่ได้เป็นวัวเป็นไก่ก็ยังมีญาติอีกละเนี่ยเรียกว่าทายาติเรียกว่าสัญญาแห่งสภาพของกรรมพระคุณเจ้าบางรูปก็มีญาติเป็นหมา เรียงหมาเป็นฝูงและรักกาดหอมแม่ชี้แม่พามก็เช่นเดียวกันยังมีสัญญาแห่งความเป็นญาติพี่น้องกันอยู่จึงมองเห็นจึงชักจูงเนี่ยไปสู่สภาวะต้องเจอะเจอกันเรียกว่าสัญญาบางคนก็ไปเลี้ยงป่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงหงก็มีสัญญาความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ ก็เรียกว่ามีทายาทอยู่มีเขาเรียกว่ามีทายาทสืบสกุลอยู่ยังมีสันดานเป็นสัตว์เรียกว่ายังมีทายาทเป็นสัตว์อยู่ยังมีทายาทอยู่ในขุมนรกสัตว์โลกเกิดตามสภาพของกรรมกรรมก็คือรูปนามแห่งกรรมก็คือสัตว์นั่นเองกุ้งหอยปูปลามันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ รูป ก, กินพ่อพ่อแม่กินปู่ย่าตายายก็เหมือนกับรูปที่เกิดมาเนี่ยก็ให้พ่อแม่เลี้ยงกินเวลาเวลาจนแก่ตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไอ้พ่อแม่ของเราเนี่ยก็เบียดเบียนปู่ย่าตายายที่เขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรามาก็กินปู่ย่าตายายตายไปเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรไปเออค่อยๆ ค, คิดค่อยๆนึกว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่มนุษย์เนี่ยปลาเล็กตอดปลาใหญ่ปลาใหญ่เนี่ยแก่ตายไปปลาเล็กก็ค่อยๆตอดเป็นเศษอาหารของคนรุ่นใหม่ต่อไปก็เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกพอลูกโตพ่อแม่ก็แก่ก็เป็นปู่ย่าตายายก็ตายไปมันก็ไม่ได้อะไรไปเลยเหมือนกับเรามองไม่เห็น เราได้มองแต่เห็นว่าคนนั้นสวยคนนี้หลอ่อคนนั้นเขารวยคนนี้เขาจนแยกแยะปรุงแต่งตามสภาพของอารมณ์ของจิตที่ชักจูงไปสู่สภาวะเจอกันบางทีก็รักกันบ้างศัตรูเราเนี่ยเหมือนกับเงาตามตัวก็หมายถึงว่าเจอะเจอกันทำไมเราไม่ไปเกียตโน่นคนอเมริกาคนออสเตรเลีย ทำไมเรามาเกลียดชังกันทำไมในวัดนี้ก็มีสัญญาแห่งความเป็นศัตรูเป็นมีสัญญาแห่งความเกลียดชังอิจฉาหริอสยากันมาจึงได้ชักจูงไปสู่สภาวะแดนเกิดร่วมกันค่อยๆ ค, คิดค่อยนึกบางคนก็อาจจะฟังแล้วก็ฟังไม่เข้าใจแต่หลวงพ่อก็พยายามพูด ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในแก่นแท้แลวาวก็ละเอียดอย่างที่เราได้เห็นสิ่งไหนสัญญาสิ่งนั้นก็จะรู้ผุดขึ้นมาในใจว่าอ๋อหมามันเป็นอย่างนั้นไอหมาตัวนั้นมันอยู่ตรงนี้อ้อชีมันอยู่ตรงนั้นอ๋อพระองค์นี้อยู่ตรงโน้นตรงนี้จะมีสัญญารู้นะมีสัญญารู้นักปฏิบัติทั้งหลาย สัญญาคือความรู้หมายจําถ้าเราไม่รู้จักสัญญาแห่งความเป็นกรรมเรียกว่าอาวิชามันครอบงําความรู้หมายจําของเราเนี่ยรู้ในสิ่งที่มันเป็นอวิชาหมายถึงว่าไม่รู้จริงเมื่อเรารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยคนที่มันมีสติปัญญาที่ไม่รู้ถึงแก่นแท้เนี่ยคือไม่รู้จริงเนี่ย เเรียกว่ารู้แบบมินมินมันเมินผิวผิวมเผินเนี่ยก็จะแยกแยะผิดถูกชั่วดีไม่ได้ก็อ่านหนังสือกันจริงเลยว่าสัญญาคือความรู้หมายจับรู้ของท่านเนี่ยมันรู้เฉพาะตามองเห็นหูได้ยินแล้วก็เอามาปรงแต่งไม่ใช่รู้จริงไม่ใช่บัณฑิต ท, ที่รู้จริง เราไม่ได้เจอบัณฑิตเราก็กลายเป็นคนปอมอยู่ตลอดเวลาเห็นควายก็นึกว่าเป็นควายอยู่นั่นแหละเห็นวัวก็ยังเป็นวัวแต่ถ้าเกิดเรารู้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอบรมการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมองเห็นญาติโยมก็จะรู้เลยว่าโอ้อันนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเมีย เป็นลูกเป็นหลานเขาคงมีสัญญาแห่งกรรมดีกรรมชั่วร่วมกับเราไว้เข้ามาถึงตัวเราแล้วเราต้องอนุพเพาะสัญญาที่จะต้องทำอย่างไรบ้างคนนี้ได้เกิดมาเป็นมีญาติเป็นวัว ก, ก็ต้องไปอาหาให้อาหารกับญาติเพราะเคยเบียดเบียนญาติคนนี้มีกรรมกบหมาก็จะต้องไปกักกรรมกบหมา คนนี้กากรรมกับความรักก็จะต้องไปกากรรมกับความรักซึ่งกันและกันทนทุกทรมานในการมองในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันคนนี้มีสัญญาแห่งการทะเลาะเบาะแย้งแย่งชิงสภาพของกรรมก็จะต้องชักจูงไปสู่สภาวะจะต้องไปขัดแย้งซึ่งกันและกันคนนี้ชอบอิจฉาริษยา คนนี้ก็จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเรารู้เนี่ยมีสติปัญญารู้ก็จะมองเห็นเวทนาทุกข์แต่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเห็นมองอยังไงก็ไม่เห็นว่าทุกข์นี้โอ้เนาะทำไมเรามันยากจนมันทุกข์เราไปไหนมาไหนทำไมมีแต่คนด่าว่านินทาเราทำดีแค่ไหนทำไมคนมองไม่เห็นความดี ทำไมเราทำอะไรเนี่ยทำไมจึงขาดทุนเรามีสามีมสา ม, มีก็ไม่รักมีภรรยาภรรยาก็ไม่รักมีลูกมีหลานก็ทำไมไม่เกิดมาเป็นคนรวยมีสติปัญญ า, าเล่าเรียนเก่งเหมือนกับคนอื่นเขามีทรัพย์สมบัติก็ถูกโกงถูกแย่งถูกชิงไปเราก็ได้จะมองเห็นคิดเห็นนึกได้เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละโศกเศร้าเสียใจ หาทางออกไม่ได้แต่เราไม่เห็นสภาพของกรรมหมามันไม่มีไล่นาวัวควายมันก็ไม่มีญาติพี่น้องทำไมมันอยู่ได้ตามสภาพปวหมดเนี่ยพอโตขึ้นมันก็กระจายขยายลัางของมันไปเหมือนกับพวกเรานี่แหละถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญาอันแท้จริงอันบริสุทธิ์เนี่ย มองเห็นอาบายภูมนรกภูมิเนี่ยภูมิของสัตว์ภูมิของเป็ดเป็ดมันเป็นลักษณะไหนเป็ดก็คือเด็กตัวน้อยนี่นะฮะที่มันหลุดออกจากท้องแม่มันทำมาหากินไม่ได้ก็เกาะปากเท่าลูเข็มก็หมายถึงหัวนมมันแหละหัวนมคุณโยมก็ลูเท่าขวดน้ำปลามาะไรเขาเอาเข็มเจาะให้ลูกดูดนม ว่านมโยมก็นิดเดียวให้ลูกมันดูดเป็ดมันดูดดูดน้ําเลือดน้ําเหลืองก็คือนมนั่นแหละก็น้าเลือดน้ําเหลืองของแม่นะหยาดเหงื่อของพ่อนั่นแหละเรียกว่าเป็ดเป็ดมันก็ปากเข้ารูเข็มมันกินได้แค่นั้นนะ่ะพอมาเป็นเป็ดปุ๊บก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายอะก็แปลว่า ด, ดีสูญก็หมายถึงว่า ร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีมูลค่าอะไรเลยร่างกายเปรียบเสมือนรังของโลกขยายเติบโตขึ้นมาก็มีจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานทำร้ายพ่อแม่เด็กๆ ก, ก็ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่กัดด่าพ่อแม่ก็เอาอกเอาใจตามป้อนเหมือนกับลูกนกลูกกาเห็นไหม พอหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยกันนึกภาพออกทันทีแต่ทําไมเมื่อก่อนเรานึกไม่ออกสัตว์เดรัจฉานมันจะรู้จักพ่อจากแม่ได้ไหนเด็กๆ ก, ก็ไม่รู้เรื่อยอยู่ในภูมิของมันภูมิปัญญาที่คิดคิดไม่ได้นึกไม่ออกมันก็พึงกระทำตามวิสัยแห่งการเป็นสัตว์เป็นเป็ดอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานขอให้พระคุณเจ้า รวมทั้งแม่ชีแล้วก็อุบานส อ, อุบรรยกาจงไปนึกไปคิดเป็นการที่คิดละเอียดอ่อนให้มองเห็นตัวสัญญาแห่งความเป็นมนุษย์และสัตว์อบายภูมิสัตว์นลกก็อยู่ที่เราเห็นนี่แหละในวัดเขาอิติสุโกโตผู้ใดมองเห็นสัตว์เหมือนสัตว์ก็เป็นสัตว์เช่นเดียวกัน ผู้ใดเป็นมนุษย์สมบัติเห็นมนุษย์เห็นสัตว์ก็รู้จักอบอ้อมอารีก็เป็นมนุษย์สมบัติผู้ใดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในอบายภูมิก็มองเห็นสัตว์ก็ทำร้ายซึ่งกันและกันอระเจ้าาอย่างนี้คาดว่าคงได้สติปัญญาได้คิดได้ปรุงความคิดจิตได้สานึกว่าโอ้โนา วันแรกเราก็เข้าโรงพยาบาลจิตแล้วนะมาฝึกมาฝึกจิตเภทนะมาฝึกจิตละประศาตนะบางคนเป็นประสาทนะเป็นหมอเป็นพยาบาลเข้าโรงพยาบาลมาฝึกจิตจเรียกว่าจิตประสาทราตรี น, นี้ให้มีจิตใต้สำนึกเห็นสัตว์ เห็นสัตว์โลกเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามสภาพของกรรมจิตได้สํานึกปรุงแต่งว่าเห็นสิ่งใดให้มีสัญญาความเป็นพี่เ eh. ป็นน้องก็จะพึ่งพาอาศัยแต่เราไม่มีสัญญาแห่งสภาพแห่งกรรมเราก็ไม่กักกรรมในสิ่งนั้นๆไม่ยินดีแม้นไม่ยินดีกรรมก็ชักจูงเราไปสู่สภาวะนั้นๆ ถ้าเราเห็นบ่อยเข้านึกได้คิดได้เราก็จะพ้นจากกองทุกทันทีเราก็จะอยู่กันแบบเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่หม่นอนสมาธิเพื่อจะได้กวดน้ำสืบต่อไป